มุทิตาในทางธรรมความสุขความสาเร็จความเจริญรุ่งเรืองเป็นพลังที่แผ่จากคนหนึ่งไปช่วยขยายความสุขให้อีกคนราวกับสาเร็จหรือรุ่งเรืองด้วยตนเองได้มีข้อแม้อย่างเดียวคือต้องร่วมยินดีด้วยใจถ้าชื่นชมยินดีกับคนอื่นเป็นใจก็เปิดรับสุขของคนอื่น แทบทำให้รู้สึกดีได้เท่าเขาแล้วความสุขความสาเร็จความเจริญรุ่งเรืองเป็นพลังที่แผ่จากคนหนึ่งไปเป็นความรู้สึกของอีกคนได้ช่วยขยายความสุขให้อีกคนได้รากับสาเร็จหรือรุ่งเรืองด้วยตนเองมีข้อแม้อย่างเดียวคือต้องร่วมยินดีด้วยใจได้การยินดีที่ผู้อื่นได้ดีนั้นเรียกว่า มุทิตาจิตผลโดยตรงคือกำจัดความอิจฉาริษยาใครมีมุทิตามากกว่าความริษยาผลจะทำให้ขยายขอบเขตความสุขได้มากกว่าชีวิตของตัวเองเป็นผู้ห่างจากวงจรแห่งภัยเวรมีโทสะน้อยใครเห็นแล้วจะอยากช่วยเหลือเกอื้อกูลมากกว่าอยากแข่งดีด้วย มุทิตาในทางธรรมมุทิตาคือการพลอยยินดีกับเรื่องดีของคนอื่นหมายถึงว่าไม่เห็นใครได้ดีมีสุขมีความเจริญรุ่งเรืองประสบความสาเร็จทางโลกหรือทางธรรมก็เกิดความแช่มชื่นโสมนัสตามซึ่งเป็นตรงข้ามกับความริษยาอันก่อความร้าวฉานให้กับใครต่อใครทั้งโลกมาชั่วกาลนาน ความสามารถแช่มชื่นกับผู้อื่นเมื่อสะสมให้มากอย่างไม่เลือกหน้าไม่มีขอบเขตประมาณแล้วยอมเข้าถึงอั ป, ปมัญญาสมาบัติได้เช่นกันเพียงมีความโสมนัสกับเรื่องดีของใครใจก็หน่มงเป็นอารมณ์แห่งฌานได้แล้วถ้าฝืนยินดีไม่ได้ก็อย่าฝืน การฝึกให้ยินดีกับทุกคนนับเป็นเรื่องยากเพราะความริษยาหรือความพยาบาทมักออกมาขวางหน้ายิ่งเข้นยิ่งฝืดถ้าฝืนยินดีไม่ได้ก็อย่าฝืนแค่บอกตัวเองง่ายๆว่าเขาไม่ดีในสายตาเราแต่คงมีดีในแบบที่เราไม่รู้หรือไม่อยากรับรู้พิจารณาไปเพื่อให้ใจปรับเข้าลู่กลางๆ ไม่เผลอพลาดไปคิดเพียนเพีย้ยนหรือก่อกรรมเพี้ยนเพีย้ยนแบบคนขี่อิจฉาริษยาโดยไม่ทันรู้ตัวทำอย่างไรจึงจะยินดีกับความสุขของทุกคนได้ทางเดียวที่คุณจะชื่นใจได้กับความสุขความเจริญของคนและสัตว์ไม่เลือกหน้าคือต้องคอยแผ่เมตตาและกรุณามาก เมื่อเป็นสุขแล้วแผ่สุขเหมือนมีขนมอร่อยและมีแก่ใจแบ่งคนรอบข้างเรียกว่ารู้จักแผ่เมตตาเมื่อเห็นคนอื่นทุกข์และอยากช่วยแก้ทุกข์เรียกว่ารู้จักเผื่อแผ่กรุณาด้วยใจที่มีเมตตาการุณาอยู่จริงๆถ้าไม่เคยฝึกแผ่ใจเป็นเมตตาไม่เลือกหน้าจิตมนุษย์จะเข้าโหมดด้วยสาก้าสุดท้ายของคนอื่นด้วยความเกียดคร้าน ที่จะเริ่มก้าวแรกของตนเองเห็นคนอื่นเป็นอีกฝ่ายอีกพวกที่ไม่มีผลประโยชน์ให้ตนหรือกระทั่งฉกฉวยความสุขทางใจไปจากตนหมายเหตุผู้อ่านและอีกวิธีที่จะแผมุทิตาจิตได้ง่ายขึ้นก็คือต้องเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรม ถ้ามีศรัทธาในผลกรรมและเชื่อมั่นจริงว่าสิ่งที่ทุกคนได้เจอได้เป็นนั้นเกิดจากกรรมของเขาเองทั้งนั้นเมื่อเห็นใครได้ดีมีสุขแม้ขณะนั้นเขาจะทำตัวไม่ดีอยู่ก็ตามก็จะมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เขาได้รับนั้นต้องเกิดจากผลกรรมเก่าของเขาเท่านั้นเมื่อเห็นใครได้ดีมีสุขได้รับอะไรก็ตามก็ต้องระลึกรู้ตามจริงให้ทันว่านั่นคือผลบุญของเขาที่เขาเคยทำไว ซึ่งอาจจะเป็นหลายชาติก่อนหน้านี้ก็ได้ด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะทําให้เราไม่ริษยาไม่อิจฉาเขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้รับนั้นยุติธรรมกับเขาแล้วและด้วยการเข้าใจถึงกฎแห่งกรรมอย่างแท้จริงจะทําให้เราวางใจได้และเกิดจิตมุทิตาหรือพลอยอนุโมทนาบุญเก่าของเขาได้ง่ายขึ้นนะครับ